วันนี้เป็นวันพระแรง15สห้าค่ำเดือนหนึ่งเป็นวันเดือนหนึ่งดับปี2549แต่ตามไม่จริงถ้าจะเป็นเดือนดับกับนา2 5หนั่นแหละแต่เนี่ยยังเปลี่ยนเดือนทางสุริยะคาติอยู่วันนี้เป็นวันที่ส9เกธันวา สี่เกแต่เป็นวันพระแกมสิบสี่คาเดือนหนึ่งเถีย๋ยววันอุโบโสถเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกครั้งที่ผ่านผ่านมาวันนี้ก็คือวันหนึ่งพวกเราเร้พร้อมกันทำวัดสวดมนต์เย็นจากนั้นจะได้ฟังสัมโมในยถา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่การสดับพระธรรมเทศนาหรือว่าสมโุนียกถานนั้นก็ไม่แน่บางทีหลวงพ่อก็เอาธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์อย่างคราวที่แล้วอันพระที่แล้วก็เอาธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์มาเปิด ชูกันฟังแต่บางครั้งหลวงพ่อก็จะแดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังมหีหลายอย่างจะทำยังไงพวกเราจึงจะได้รับความรู้ความฉลาดในเมื่อเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาแห่งนี้ เพราะนั้นหลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าของวัดก็จะต้องไขควรไตรตรองว่าจะหาสิ่งไหนมาให้พวกท่านได้ศึกษาจะได้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเพราะนั้นบางครั้งหลวงพ่อเองก็ได้นำประสบการณ์ ที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และก็ที่ได้พบได้เห็นจากประสบการณ์ของตนเองที่เกิดเฉพาะหน้าและก็ได้นา ม, มาสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความรู้ความฉลาดให้ได้ศึกษาสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความรอบคอบ มีสติมีปัญญาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคําว่าปัจจุบันก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่อยู่ร่วมกันแต่ปัจจุบันนี่มันน้อยมากถ้าจะว่าไปแล้วอนาคตนะ่มันมากกว่าคืออนาคตตั้งแต่กาลังพูดเนี่ยก็เป็นอนาคตทั้งหมดแต่ถ้าตามไม่จริงคือปัจจุบันถ้าจะว่าไปก็ ค, คือการอยู่ร่วมกันแต่าตามไม่จริงถ้าจัดตามหลักแล้ว ตั้งแต่คําพูดนี้ไปเป็นอดีตที่ยังคําไม่ได้พูดเป็นอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้ถึง อ, อ, อนาคตพวกเราจะทําตัวอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องและจะเป็นธรรมเมื่อเราเป็นพระเราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อเป็นครวญญาติโยมเราควรจะทําตัวอย่างไร เมื่อเราเป็นฆราวาสทั่วไประดับไหนเราควรทำตัวอย่างไรเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราจะได้ศึกษาทางนั้นพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหลายคู่หลายคนทั้งหญิงทั้งชายการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงพวกเราจึงจะมีความสงบผาสุกร่มเย็น เพราะนั้นจึงมีกฎมีระเบียบแบบแผนที่พวกเราจะได้ประพฤติปฏิบัติอันดับแรกพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละคือทานะคือการเสียสละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์จากนั้นก็เรื่องศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยสำหรับกระวาดญาติโยมก็รักษาศีลห้าศีลอุโบสถ ศีลของสมณเณรศีล ส, สิบศีลของพระภิกษุศีลส้น 7, ลสิน2 2็และศีลอภิสมาจารมีมากอันนี้คือการอยู่ร่วมกันสมาธิคื อ, คอทำจิตใจให้สงบติบใจให้เป็นหนึ่งจิตใจไม่ให้วุ่นวายจิตใจไม่ให้กระสับกระส่ายให้เอาหลักเหตุผลเข้ามาบังคับจิตใจ คือทําใจให้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วจะตรตรองเหตุและผลสิ่งไหนก็จะเป็นศีลเป็นธรรมออกมาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้รับความสงบปล่อยปลาละเลยไม่มีความสนใจว่าใจของเราคิดยังไงตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยคิดเลยว่าใจของเราเป็นยังไงมันมีถ้าหว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาแล้วเป็นไปได้มากเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าใจนั้นคืออะไร ความคิดนั่นคืออะไรจะทํายังไงจึงจะเอาความคิดให้เป็นหนึ่งได้แต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนหรือปฏิบัติตามแนวแถวพระธรรมคําำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ในการศึกษาของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสมาธิสมาธิทั้นคือทําจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตปรงฟุ้ง ถ้าว่าคนเราคิดมากๆปุงมากๆฟุ้งซ่านมากๆ ม, ม, มีเรื่องเราที่จะทำให้จุงเยิ้งวุ่นวายทำให้จิตใจคิดปุ๋งออกไปข้างนอกพวกเราเห็นกันแล้วกันบางคนก็เป็นบ้าเป็นบอมีมากต่อมากบางคนกับพวกเราได้ศึกษาประวัติของเขาแล้วเขาเหล่านั้นโดยมากมีแต่ความทุกข์ในใจเป็นเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นก็คิดปล่อยปะละเลยคิดจนไม่มีที่จุดที่ยับยั้งผลี่สุดก็เลยเสียศูนย์ ในการเป็นอยู่มีมากต่อมากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เป็นเรื่องกล้ำเก่าก็มีอันนั้นก็มีผสมประสานกันบ้างแต่เรื่องที่มันเกิดในปัจจุบันก็มีมากเหมือนกันทำให้คนขาดสติสรุปแล้วก็คือขาดสมาธิในการยับยั้งของจิตใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนหลักใจเป็นสำคัญ สำคัญกว่าทางกายความประพฤติอย่างอื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจเป็นหลักถ้าใจของเรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์แล้วการพูดก็ไปตามกฎเกณฑ์การกระทำก็ไปตามกฎเกณฑ์พอใจได้คิดดีแล้วเพราะนั้นเรื่องใจเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ท่านไปอยู่ในป่าดวงพงไพ่ถึงหปีนะั้นท่านไปศึกษาเรื่องพระไทยหรือเรื่องใจของพระองค์ทํำยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องใจหรือพระไทยของพระองค์นะจะทํำยังไงจึงจะให้เป็นหนึ่งจึงจะให้สงบได้อันนี้แหละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนากรรมาฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกกรรมาฐานพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติในวันเดือน6กเพนนนั้น กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านเราจะพิจารณาอะไรมันไม่ชัดเจนทางนั้นถ้าว่าจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วนำจิตที่เป็นหนึ่งนมาพิจารณา สิ่งไหนเป็นเหตุเป็นผลตัดขาดกิเลสในจิตในใจของเราได้เพราะเหตุไรใจของเราเป็นหนึ่งพิจารณาอะไรเตัดขาดตัดขาดเพราะว่าใจของเราไม่ปุ่งฟงสั่นแต่ถ้าว่าใจของเราปุ่งฟุงสั่นเราก็ต้องคิดไ้ว่าเอ๊ะถูกหรือเปล่าไม่ถูกหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันใจมันลวนเลย เพราะใจไม่ใจไม่เป็นหนึ่งใจไม่เป็นไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าว่าใจเป็นสมาธิแล้วกำหนดดูใจของเราเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นมาอย่างไรเรื่องมันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรทำไมเราจะตัดสินใจด้วยจิตใจที่แน่วแน่ใจที่เป็นหนึ่งนั้นได้เด็ดขาดกว่าจิตใจที่ปุ่งฟุ้งซ่านแล้วนามาคิดมันก็ไม่ไม่เป็นเอกฉันในความคิดนั้น วันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทาจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนที่หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งก็เหมือนกับช่างตัดเหล็กช่างตัดเหล็กที่เขาตัดด้วยแก๊สด้วยไฟด้วยลมด้วยลมลยด้วยออกซิเจนเวลาเขาจะตัดแผ่นเหล็กหน้าหนาทำไหมไฟแก๊สลม มันไม่ใช่ของที่จะแน่นหนามันคงไม่ใช่ของแข็งแต่มันทำไมตัดแผ่นเหล็กที่ห น, นาได้เพราะเหตุอะไรแต่ถ้าว่าเราจูนให้มันจูนให้มันใหญ่นะถ้ามันพาออกไปนะมันจะตัดเหล็กไม่ได้แต่ใ น, ในช่างเขาก็ต้องปีบหัวแก๊สในะห้มันหลีเข้าไปให้เล็กที่สุดจนไฟสีเขียวจากนั้นก็จ่อลงไปในแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กละลายทันทีเลย มันไม่ได้แข็งอะไรแต่ทําไมถ้ามันผ่าแล้วทำไมมันตัดไม่ขาดแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งแล้วทําไมมันตัดขาดอันนี้เราก็พอจะนํามาเปรียบเทียบกับจิตใจของเราได้ใจของเราท่างว่าเป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาสิ่งไหนลงไปพิจารณาอนิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงไตรลักษณ์พิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ํามลมไฟ พิจารณาถึงกระดูกในร่างกายของเราพิจารณาถึงไตรลักษณ์พิจารณาถึ ง, อ า, าาถง อ, อาการ32ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะเห็นได้ชัดจอเธอจุดไหนเห็นจุดนั้นกำหนดถึงจุดไหนเห็นจุดนั้นมันจะไม่พลาดมันจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นได้ชัดเจนแล้วมันก็จะต้องปล่อยวางในจุดนั้นๆเพราะนั้นอันนี้คือสมาธิ พี่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายทำสมาธิเพราะนั้นเราอย่ามองข้ามเรื่องศีลก็ดีเรื่องทานตั้งแต่เรื่องทานสาหรับฆราวาสญาณโยมก็เรื่องทานในการเสียสละให้แก่ชุมชนสังคมพี่น้องพ่อแม่เมื่อเราพอมีพอเป็นไปไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นก็ควรจะมีการเสียสละมีน้ำใจคนที่มีน้ำใจอบอ้อม อ, อารีเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ต่อคู่คนทั้งหลาย ออถึงเวลานั่งภาวนากรจิตใจก็แผ่วทิศส่วนกุศลที่ตนได้กระทําโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่มาใกล้เราจิตใจของเขาเหล่านั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยกับใครใคในเมื่ อ, อ, อทานดีแล้วก็ศีลก็รักษากายวาจาของเราไม่ให้ใครเดือดร้อนคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเราคิดถึงการเป็นอยู่ของเขาคิดถึงการเป็นอยู่ของเรา เราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ต้องการความสุขเราจะไม่เบียดเบียนตนเองและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็คือสินสมาธิก็อย่างที่ได้กล่าวทาจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้สงบจากนั้นพิจารณาจุจดไหนอย่างไรจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้อันนี้หละคือหลักของพระพุทธศาสนาหลักอันยืนยงนึืหลักที่มั่นคงจากนั้นท่านก็พูดเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกัน การเป็นอยู่ร่วมกันในเพื่อนมนุษยชาติควรจะทําตัวอย่างไรควรจะทําตนอย่างไรมันจึงจะถูกต้องการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าจะว่าไปแล้วคือหมวดของศีลศีล น, นี่เป็นเรื่องที่กว้างขวางเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญในระดับหนึ่งจะมองข้ามไม่ได้ถ้าคนขาดศีลมากๆชุมชนสังคมโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบสุขไม่ได้ถ้าขาดศีลธรรมและจะริยธรรม คนเห็นแก่ตัวคนทำความชั่วอย่างอื่นผู้ที่อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุไรเพราะคนขาดศีลธรรมและจริยธรรมเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมเกิดในชุมชนและสังคมประเทศชาติของเรายุคไหนสมัยไหนยุคนั้นสมัยนั้นก็สงบพร่อมเย็นเป็นสุขโดยไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้ แต่ถ้าว่าคนขาดศีิยธรรมมากในยุคใดสมัยใดยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าหัวหน้าวัดหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตำบลอำเภอจังหวัดหัวหน้าประเทศชาติหัวหน้าโลกหัวหน้าได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญจะทาให้ใครอื่นเดือดร้อนเพราะหัวหน้านี่มีมากต่อมากในครั้ง พระพุทธเจ้าของเราพวกเราจะเห็นในพระไตรปิฎกในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้อย่างสมัยหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปาราถึงการคลองราดเรียกว่าความประพฤติของชนในยุคสมัยนั้นท่านยกพระเจ้าปเสณที่โกศลเป็นต้นเรื่องต้นเหตุมั้งั้นท่าอ แต่ตามไม่จริงท่านก็ไม่ได้ยกขึ้นมาแบบไม่มีเหตุมีเหตุซะก่อนท่านจึงได้ปารบเรื่องเล่าสมัยหนึ่งเป็นการฉลองกรุงสวรรค์นะั่นแะมีการจัดงานขึ้นในชุมชนของประเทศอย่างที่เมืองใหญ่ๆเขาเคยจัดปีหนึ่งเขาก็ต้องมีการฉลองการลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลท่านก็แต่งองค์ทรงตัวนั่งคอช้าง เสด็จรอบพนักคอนแต่พอพระราชาเสด็จไปที่ไหนคนทั้งหลายคนนะ่ะไม่อยากจะหลีกทางเพราะอยากจะอยู่ใกล้พวกตำรวจทหารเขาก็ไล่คนออกเพราั้นเถอะทั้งคอนทั้งก้อนดินให้คนหลีกทางแต่ขณะนั้นคนยังมองเหลียวหลังอยากจะดูอีกอยู่อันนี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันในสงฆ์ทาบุญทําทานของพระเจ้าแผ่นดิน ท่านทําไว้ดีแล้วถ้าก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะท่านได้ทําบุญไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถึงเขาจะไล่ชุมชนสังคมหนีขนาดไหนก็ยังตามไม่จริงท่ามไม่มีบุญกุศลแล้วคนมีแต่เปิดหนีห่างแหนบเราะงั้นแต่แต่นี้คนยังยังจะหุม้มอยากจะดูอยู่อันนี้ก็คือเป็นบุญกุศลของพระเจ้าแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะ จากนั้นก็นั่งคอช้างเรียบพระนครไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างหลบปลีกหนีไปแอบไปซ่อนดูพวกที่อยู่ไกลถ้าอยู่ข้างบนเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ไม่ให้อยู่ข้างบนตึกสูงว่างันเถอะใครอยู่เขาก็ต้องดูว่ามันผิดกฎของเขาลักษณะอย่างนั้นตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นบนของบ้านที่พระราชเสด็จไป แต่นี้พระราชาพอเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาเปิดหน้าต่างมองดูพอเขาเห็นปั๊บพระราชามองขึ้นไปเขาก็ปิดประตูทันทีเพื่อว่าเขากลัวความผิดของเขาเหมือนกันแต่พระราชาไปมองเห็นแล้วเหมือนกับเห็นพระจันทร์ในใจของพระเจ้าพันเสนเหมือนกับเห็นดวงจันทร์อย่างนั้นมันกระแทกหัวใจของพระเจ้าแผ่นดินอ่างนั้นจ่ะจนพระเจ้าแผ่นดินวันไหว อหัวใจวะใครเข้าไปปฏิพัตในหญิงคนนั้นแต่นี้อมมาศพู้นั่งอยู่ใกล้ๆเห็นพระเจ้าพดินมองอมมาตคนนั้นก็มองไปก็ไปเห็นเหมือนกันอไปเห็นว่าพระเจ้าพื้นดินมองอะไรใครเข้าว่าคนมองไปเห็นสิ่งที่ถูกใจแล้วมันเซอร์ไปงั้นเถอะกิเลสมันกระแทกหัวใจแล้วมันเซอร์ไปหมดไปงั้นเถอะถึงจะเป็นพระเจ้าพดินก็เซอร์เหมือนกันไปงั้นเถ อ, อะกิเลส การ ม, มาราคะตัวนี้มันก็แทกเข้าสู่จิตใจแต่ใ น, นพระเจ้าไปดินกับกระย์กระใสนั่งบนคอช้างเหมือนกันรีบเสด็จมามาถึงแล้วก็มาถามอํามาตะที่อยู่ใกล้ถามว่าเอออมาตะจุดนั้นจุดนี้เธอเห็นไหมผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในหน้าต่างอํามาตะประเห็นพระเจ้าข่าเออนั่นนะให้เธอไปถามเดูสิว่าเขามีสามีอะไรอย่างใครค้าไปจ้ะ จะเอามาเป็นอสนมเ่าแบบนั้นอะแต่นี้ก็อมหาคนนั้นก็ไปถามไปถามคนเขามีสามีแล้วกลับมาบอกพระราชาพระราชาอา้าวทางั้นก็ไปเรียกสามีเข้ามาพอเรียกสามีเข้ามาก็บอกว่ า, อ, าอ้าวให้เจ้าเป็นสเสวิกใช่ไหไยให้ใครก็ให้เป็นทหารมหาเล็กหลักสังนั้นอ่ะเอาศาสตร์อาวุธให แต่เมื่อเขาทําผิดแล้วก็จะจับเขาฆ่าทิ้งและจะเอาเมียเขาสรุปแล้วแบบง่ายง่ายว่างั้นออหาเรื่องว่างั้นจะหาเรื่องใส่จะแย่งเมียเขาเออนี่ยแหละกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะ่ะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกในท่านผูดเวาไว้จากนั้นท่านก็สเสวยคนนั้นเขาพยายามทําดีที่สุดว่างั้นะที่สุดมีเท่าไหร่ทำดีที่อย่างนั้นเ ข, ขาบ่มคดตัวปกป้องไม่ให้มีจนพระราชาหาความผิดไม่ได้เจนี่ ก็ เ, เรียกเข้ามาอีกะเรียกเข้ามาว่าเฮ้ยเวกให้มาปฏิบัติเรานะให้ไปเอาดอกบัวอยู่นู่นน่ะเอ่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับให้ไปเอาไอ้ไม้จัน์อยู่ที่เขาใหญ่นั่นะนะนะนะครนายกนะลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเออคือมันสุดวิสัยที่จะเดินทางไปแบบนั้นจ้ะแต่ในบอกว่าให้ไปเอา ดินสีอรุณแล้วก็ดอกโกนุษแล้วก็ดอกบัวสามอย่างอยู่น้่นอะใครค่าว่าอยู่ไกลที่สุดว่า ง, งั้นถ้าเดินไปแล้วก็ไปสามวันสามคืนก็ยังกลับมาไม่ได้ว่า ง, งั้นแต่แต่นี่ก็สเวกคนนั้นก็โอ้ยข่าพระองค์ขอยอมรับใช้พระองค์ทุกอย่างเอาละให้ไปเอามาทาไมเอามาไม่ทันเดี๋ยวลงโทษว่า ง, งั้น แต่านี้เขาก็รู้ละข้าต้องตายคราวนี้เพราะเมียของเราในเองนังงั้นเขาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้บุรุษคนนั้นพระเจ้าไปดินจะแย่งเมียว่างั้นเถอะอ่ะพระเจ้าประเสียรถึงแย่งเอาครอบครัวไปผลที่ฐ์สด ก, ก็พอมาถึงบ้านก็บอกให้แม่บ้านเออเป็นไงข้าวสุกหรือยังคือข้าวเขาก็ยังต้อมอยู่งั้นเถอะข้าวหุงทางเมียเขาก็บอกว่ายังแล้วยังไม่เพิ่งต้มขึ้นมาเองก็ยังไม่ เพิ่งเดือดน้ำอีกเดือดท่อนเองเขาอ้อรีบๆตักทางแม่บ้านเขาก็บวยตักลงไปในหม้อข้าวเทลงไปในหมอ้อจากนั้นก็เทอาหารสิ่งไหนก็ผส ม, มลงไปพอผส ม, มลงไปก็ได้ข้าวแล้วก็มันข้าวยังไม่สุกมันงั้นใช่เดินดุ่มเลยเพื่อจะไปเอาดินสีอรุณกับดอกบัวแล้วดอกโกนุตนะ่ะที่ว่าไกลที่สุดนะพอเดินไป ได้ถึงโยดหนึงน่งไหมโยดหนึ่งก็สี่ร้อยเส้นแปลว่าคนหนึ่งจะเดินได้สี่ร้อยเส้นเนี่ยแปลว่ามันพอแรงแล้วนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยดเหมือนกันเส้นเนี่ยมันก็สี่สิบเมตรไม่ใช่หรอแต่ว่าหนึ่งโยดก็สี่สี่ร้อยเส้นพอเดินไปบุรุษคนนั่นก็มันเหนื่อยพอแรงเหมือนกันนะรู้จักว่าโยดหนึ่งเนี่ยดเป็นหนทางที่ยืดยาวที่สุดเหมือนกนเถอะในวันนั้น แต่ก็กลัวตาย<笑>พอนี้ก็ปล่อยไปถึงกันเลยแบ่งอาหารของตนที่ถือไปด้วยแบ่งอาหารไปพอดูนไปความร้อนมันก็อยู่ในหม้อใช่ไหมความร้อนมันก็สุกที่นี่ข้าวสารที่ต้มมันก็สุก ข, ขึ้นมาผสมกับอาหารก็เลยแบ่งไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นก็เห็นคนเดินทางอ่ะเอ อ, เอคงจะหิวข้าวเหมือนเราม嘛ก็เลยแบ่งให้เขาเอาแบ่งกินอาหารด้วยผมผมขอทําทานเหมือนกันผมขอทําทาน หิอวาอาหารใช่ไหมเหมือนเขาคนนั้นก็ใช่เขาก็แบ่งอาหารให้เขาไม่ใช่ของเดนนะผมแบ่งให้นะผมยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยแปลว่าแบ่งให้เขาเขาคนนั้นก็ได้กินอาหารจากนั้นตะแก่ก็เดินไปอีกไปถึงท่าน้ําไปท่าน้ําล้วไปนั่งกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแลว้วก็หวานข้าวลงไปในน้ําอีกให้ปลากินว่างั้นเออทั้จิตอธิษฐานเสร็จแลว้วก็ล้างปากแลกว้วก็ปนมมือขึ้นมา สาตูเนอะข้าพเจ้าเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยอนิสง์ในการทําทานของข้าพเจ้าเนี่ยทานนี่แปลว่าเพียงแค่นั้นกับเป็นอนิสงนะในการตั้งอกตั้งใจในการทําทานเพียงแค่นั้นกับเป็นอนิสง์พราะ น, นิสงในทาทานให้แก่คนเดินทางที่เขาหิวแล้วก็หวานข้าวลงไปในน้ําให้ปลากินนะเพียงสองอย่างปรุษคนนั้นท่านก็ประนมมือกันและลึกถึงทานของตัวเอง สาตูน่าข้าพเจ้าได้ทําทานกับคนเดินทางอั น, นิสง์พันอั น, นิสง์พันธ์แปลว่าอั น, นิสง์มากในการทําบุญกับมนุษย์และอันนิสงร้อยที่ข้าพเจ้าได้หว่านข้าวลงให้ปลากินด้วยอั น, นิสงสองอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี่ถ้าหาว่าผู้ใดจะเป็นนาค ก, ก็าตามจะเป็นคุดก็าตามจะเป็นเทวดาก็าตามถ้าหาว่าไปนําดินสีอรุณน ดอกโกนุตกระดอกบัวไปให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้นี่ให้แก่ท่านผู้นั้นทีนี้พญานาคที่อยู่ในลําคลองลําน้ำแล้วก็รู้ว่าเออบุรุษคนนี้เขาจะให้บุญแก่เราเนี่ยใครๆก็ต้องการนะบุญเนะี่ยบุญคือความสุขใครๆว่าใครก็อยากจะรับบุญที่จะมีผู้ให้เขากับจาแรงเป็นคนแก่ขึ้นมา อ่เป็นคนแก่เดินมาบอกว่าท่านท่านจะให้จริงหรือบุญที่ว่าท่านประกาศไปเมื่อกี้นะ่ยใช่ผมจะให้จริงๆถามอีกว่าท่านจะให้จริงๆรงหรือบุญที่ท่านประกาศไปแล้วนะ่ะอันนี้ให้ท่านแก่มนุษย์อันนี้สงพันธ์ให้แก่ปลาอันนี้สงร้อยนะ่ะท่านจะให้ผมจริงๆริงเหรอจริ ง, รงยืนยันถึงสามครั้งจากนั้นนาคตอนนั้นก็เลยหายฟับไปอีกสักพักหนึ่งด้วยอํานาจฤทธิ์ของนาคได้ถือ ดินมาให้ดอกโกนุตมาให้ดอกบัวมาให้ท่านี้ก็เดินอ้าวเลยว่างั้นเถอะอแต่นี้พระเจ้าประเสียนทุโกโศนพอสั่งให้อันนี้ไปแล้วก็คนหาเรื่องใช่ไหมละ่ะคนหาเรื่องเออมนุษย์มันอาจจะมาเร็วกว็ได้นะมันอาจจะมีอิทธิฤทธิ์เพรา ะ, ะนั้นเราให้นายประตูปิดประตูแต่วันก็นแล้วกันสั่งให้ปิดประตูเสร็จแล้วให้เอาลูกกุญแจเข้าไปในเวียงในบางอีก ไม่แหลูกกุญแจไว้ที่นั่นอีกนะคนจะหาเรื่องมันเป็นอย่างงั้นนะเอะให้มันเกิดเรื่องให้มันมีเรื่องปรมาณนั้นพอได้หนุ่มอันนี้ก็เดินไปถึงหน้าประตูก็บอกว่าผมมาถึงแล้วน ะ, ะผมเป็นราชทูตนะจะนําของไปถวายพระเจ้าเพนดินคนนั้นนายประตูบอกไม่ได้เพราะพระเจ้าเพนดินสั่งให้ปิดประตูตะวันแล้วก็เอาลูกกุญแจเข้าไปในวังอีกเพราะฉะนั้นห้ามเปิดไม่มีกุญแจจะเปิดแล้ว บุรุษคนนั้นก็รู้ได้เลยโอ้ตายข้าต้องตายแน่เขานี่ก็เลยเอาดินเหนียวไปโยนไว้ที่ประตูประกาศขึ้นสามครั้งว่าเข้าไปเจ้าได้ทําตามที่พระเจ้าแผ่นดินสั่งแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินให้ปิดประตูแต่วันข้าพระเจ้าจึงเข้าในเมืองไม่ได้ทั้งดอกบัวทั้งดอกโกนุตข้าพระเจ้าได้นํามาแล้วแขวนไว้ที่หน้าประตูจากนั้นก็ค้ำลงคําลงเข้าเมืองไม่ได้ บุรุษคนนั่งก็เอ๊ะทำยังไงนี่แหละอในหนังสือพระไตรปิฎกท่านบอกว่าคนเรานะ่ะถ้าว่าไม่มีทุกขจะไม่คิดถึงวัดไม่คิดถึงพระสงฆ์ทตนี้วันนั้นไอ้หนุ่มคนนั้น่ะนี่ยเราจะไปนอนที่ไหนก็เลยคิดถึงพระสงฆ์เห็นถ้าพระสงฆ์ท่านนั้นเป็นผู้มีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อใครๆเพราะนั้นข้าพเจ้าต้องไปนอนวัด ป่าเชตตะวันวันนี้คงจะไม่นอนที่อื่นคงไม่ได้ไม่ปลอดภัยข้าพเจ้าจะไปนอนที่วัดนะนพอมีทุกข์ขึ้นมาคิดถึงวัดว่างั้นเถอะใ น, นคนนะเขเข้าไปนอนที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารไปนอนในคืนนั้นด้วยความทุกข์ใจยจงพอแรงแล้วว่างั้นเถอะเขามากล่าวถึงพระเจ้าเปรตที่โกศลทนี่พระเจ้าประเปรตที่โกศล น, นี่ก็เราทําเรื่องเราประสบความสําเร็จแล้ว วันพุ่งนี้เราก็ทำบุญลุดนั้นมาแล้วไปสาเร็จโทษเพราะว่าไม่เอาสิ่งของให้เราตามที่ต้องการจากนั้นเราก็จะไปนำพัญยาของเขามาไว้ที่เวียงที่วางต่อไปอันนี้ ค, คือความคิดของพระเจ้าปเสณเพราะงั้นพอในคืนนั้นท่นี่พอตกกลางคืนมาพระเจ้าปเสนกาลังนอนหลับพอเที่ยงคืนเหมือนพอเที่ยงคืนตื่นขึ้นมา ได้ยินเสียงแปลกๆในวังเสียงนั่นก็คือมันเสียงดังก้องมากเสียงดังแบบสะท้อนถึงใจอย่างซึ้งมากแต่ไม่รู้เสียงอะไรจนพระเดียวพระเสรนอนไม่หลับทั้งคืนพอนอนไม่หลับทีนี้ตื่นเช้ามาแปลว่าตาใส่แป๋วทั้งคืนเลยว่าไงเถอะกลัวเสียงอันนเสียงที่พูดขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนนะทีนี้ก็ พอถึงสว่างมากก็ให้คนไปเรียกโปรโรหิทธคือที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพราม์โปรโรหิตบอโอ้อาจารย์เมื่อคือนผมนอนไปเจ้าว่าฝันก็ใช่เจ้าว่าตื่นอยู่ก็ใช่ได้ยินเสียงดังมากกล่าวอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงอาจารย์จะมันจะเป็นผ ล, ลยยร้ายยังไงไอ้พรามณ์โปรโหิทธก็เขาจะรู้อะไรใช่ไหม ในเมื่อพระราชาถามถ้าเราจะว่าผมไม่รู้เลยลาบยศสรรเสริญก็จะหมดไปททนี้ก็ททำท่าคุณคิดเลยท่นเนี่ยเหมือนก็คิดหนักไต่ตรองเหตุและผลเหมือนกัน เ, เอใครข้าวันหลับตานิ่งโอ้ลูกพระเจ้าข่าวงั้นเป็นไรปุณหพระองค์จะต้องเสียชีวิตในครั้งนี้ทางว่าไม่เสียข้อดนอนามเหงืนกันเะ อจะต้องเสียชีวิตพระเจ้าประเดี๋ยงยิ่งตกใจใหญ่เลยแล้วมีทางแก้ไหมอาจารย์ว่าจารย์อาจารย์ก็โกหกต่อไปอีกทําท่านั่งคิดตึกมีพระเจ้าค่ะเชื่อผมก็แล้วกันเอผมจบไตเวสมาแล้วจึงได้มาทําหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นรู้หมดทุกอย่างคุณคุยต่อไปอีกต่างหากว่า ง, งั้นเออแล้วจะให้ทํำยังไงอืม ต้องบูชายันบูชายันทำยังไงตาจา์ครับพระเจ้าเผ็นดิิงสนใจทีนี่เพราะกลัวตายเนี่ยบูชายันก็จับช้างร้อยตัวจับมา้าร้อยตัวจับควัวตัวผู้ตัวเมียอย่างละร้อยและก็จับคนทาสหญิงทาสชายกรรมกร อย่างละร้อยละร้อยรวมไปแล้วมันละร้อยแต่มันก็สี่ร้อยอะไรใช่ไหมโปรโหิตคิดว่าเถ้าเราจะบอกแต่ว่าเอาแต่วัวร้อยตัวควายร้อยตัวหมูร้อยตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราค่าจะสัตว์ที่กินได้เพราะนั้นเราต้องเอาสัตว์ที่กินไม่ได้ด้วยเพื่อการบูชาอย่างเขาเราจะได้ ไอ้ซักสิทธ์ว่าไงน่ะอ่าจะซักสิทธ์น่ะโปโรหิตเขาคิดอย่างนั้นก็เลยเออเอาขนด้วยอย่างนั้นน่ะเออเอาช้างช้างที่คนไม่กินเอาช้างด้วยเอาหมาด้วยหมากับคนไม่กินได้สมัยนั้นอ่ช้างมา้าบัวควายโคแพะแกะว่าไงนน่ะแพะกับแกะนี่ไปว่าแพะระบบาปนี่ไปว่าเว้นไม่ได้ว่าน้นเถอะแพะกับแกะจากนั้นกับมนุษย์อีก ทีนี้กัดพระเจ้าประเสริฐที่โกศนก็สั่งให้คนจับทันทีไพอจับเสร็จแล้วก็ดเลี้ยงเอามามามัดไว้เลยจะนี่ยพอมัดก็คนมันร้องโ h o ร้องไห้มันมีญาติพี่น้องหนะ่อยมันไม่ใช่คนคนเดียวคนคนหนึ่งมีญาติถึงจะห้ามยังไงบางคนใช่ไหอทั้งช้างทางั้งวัวทั้งควายจัดเป็นพวกเป็นพวกไปเพื่อจะเชือดคอเอาเลือดอไปบูชายันมังนั้นแหละ ตั้งหลักยันขึ้นมาอะไรแตบูชายันเหมนนนี่แหละทั้ทงที่พระพุทธเจ้ายังเสด็จประทับอยู่ในกรุงสา ว, วัตถีนะวัดป่าเชิตะวันในช่วงนั้นพระเจ้าประสียนกับไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละกิเลสความมืดบอดตัววิชาเข้ามาปิดบังจิตใจของพระองค์มืดมิดปิดตาพอสมควรเหงนนะ ที่เมื่อจับเสร็จแล้วตอนนี้คนทั้งหลายร้องโหยร้องไห้สนันวันไหวไปหมดที่นี่ในกรุงที่นางมันลิกาเป็นอั克รมเฮสีของพระเจ้าปเสนเท่านก็เอ๊ะเสียงอะไรก็เลยเข้ามาถามพระเจ้าปเสนพระองค์ทําไมสีหน้าเศร้าซ้อยไม่ผ่องใสเลยเพราะเหตุใดพระเจ้าประเสนก็บอกว่าเรามีเคราะ ลายอย่างแรงเหมือนอสรพิษมันจะมาเลื้อยที่หูของเราเนี่ยมันจะมากัดเราเสียแล้ว เ, เพราะฉะนั้นเราจึงหาความสางาพาเผยและหาความสุขไม่ได้นางมาริกาก็เลยถามย้ำขอ้อผิดเพราะอะไรทำใหมจากนั้นพระเจ้าปเปรส่องกรพูดให้ฟังนางมาริกาบอกโอ้พระองค์คิดได้ยังไงไปฆ่าชีวิตของคนอื่นเลยเอาความสุขให้แก่ตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ถูกหลักแล้วเนี่ย ต้องให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นจึงจะเข้ามาหาตนเองได้อันนี้จะไปฆ่าคนอื่นแล้วจะหาความสุขให้แก่ตนเองไม่ใช่ทางใช่แล้วเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดถ้าเป็นลักษณะนี้การปกครองประเทศชาติจะหาความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรพระองค์ทำอย่างนี้ทําไมพระองค์ยึงไม่ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ยังท่านรู้อดีตอนาคตอยู่ที่วัดป่าเชตวันอยู่แล้วทําไมพระองค์จึงไม่ได้ ไปกราบทูลถามพระพุทธเจา้าพระเจ้าประเสียรก็ค่อยตื่นจากความหลับขึ้นมาแบบงั้นเถอะก็เลยเออท่านอย่างนั้นเขดีเนี่ยนางมาริกาก็เลยนําพระเจ้าประเสียรที่โกศลเข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพพุทธองค์ก็ถามเออมหาบาพิษทําไมมาผิดปกติวันนี้ประญาพระเสียรก็นน่งเพราะความกลัวตายว่างั้นเถะนางมาริกาเลยเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจา้าว่าเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พระพุทธองค์ก็อย่างนั้นจริงไหมมหาปพิธจริงพระเจ้าค่ะมันเป็นยังไงเรื่องราวเมื่อคืนข้าพระองค์กําลังนอนหลับหลับฝันถือว่าคลายข้าวเครึ่องหลับเครื่องตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงดังมากน่ากลัวน่าตกใจมากกล่าวว่ายังไงโปรดทุสะนะโสทุสะนะโสสี่คำเหมือน จากนั้นก็หายเงียบไปข้าพระองค์ก็เลยกลัวนั้นก็เลยได้ถามพามณโพรหิตโปรหิตรอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าให้บูชายัญข้าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติตามที่โปรหิตเขาแนะนํา พ, พระพุทธองค์บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกผิดแล้วเพราะว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นไกลเป็นเสียงของสัตว์นรกพวกที่ตกนรก เสียงสัตว์นรกที่อยู่ในนรกกล่าวขึ้นมาพระยาประเสียงก็เลยสนใจว่าเสียงนรกนั้นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะพระพธองค์ก็เลยเล่าในอดีตให้ฟังว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากัจจปะคือก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในพัฒกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือกุกุสันโทโกณคามโนกัจสโปองค์ที่สมนะอายุยืนสองหมื่นปีแล้วก็โคตโมคือ พระโคตมะของพวกเราเนี่ยตอนนี้สมัยนั้นพระพุทธเจ้ากัจโปโนี่มีบริวารหลายหมื่นที่เป็นพระอระหันต์เสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆไปโปรดสรับปะสัตว์ทั้งหลายท่านเสด็จไปกรุงพารานสีก็พร้อมขาพระสงฆ์เป็นหมื่นสองหมื่นองค์แต่ในเมืองกรุงพารานสีนั้นสมัยนั้นมีบุรุษ หนุ่มเพาะงั้นเศรษฐีหนุ่มอยู่สี่คนเศรษฐีหนุ่มสี่คนนั้นนะ่ะมีเงินคนละสี่สิบโกดโกดหนึ่งกับสิบล้านอนอะคูณดูก็แล้วกันว่าสี่สิบโกรดนั้นนะเอาสิบล้านคูนสะี่สิบเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินแท้ๆเพราะงั้นท่านตอนนี้สี่โกดเศรษฐีหนุ่มก็รัปรึกษากันว่าอพวกเรามีเงินมากเราจะหาความสุขอย่างไรในชีวิตของพวกเรา คนหนึ่งก็บอกโอ้พวกเราควรจะไปหาซื้อเหล่าดีๆมากินซื้อเหล่าดีๆมากินได้สนุกสนานเฮฮาคนหนึ่งบอกโอ้ควรจะหาอาหารดีๆมากินอคนหนึ่งว่าอออน่าจะหาของแปลกๆมากินคนหนึ่งบอกโอ้ สู่เที่ยวไม่ได้เที่ยวผู้หญิงอถ้าเรามีเงินมากขนาดนี้จ้างระมันไปเลยไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครจ้างมันไปเลยใครไม่อยากจะได้เงินบ่เนี่นแหละเราจะมีความสุขทนีนี้ทั้งสี่เพื่อนนะก็เลยเอาตามที่ไอ้เสนอสุดท้ายเนี่ยว่างั้นเถอะอมันกิน เ, กเลสเนี่ยมันไหลตรงทางต่ำํำ การมคราฆะกา ม, าาา ก, ามากิเลตตัวนี้มันไม่เลือกหน้าใครๆแนละ้วมันติดภพติดชาติมาเป็นหมื่นเป็นแสนชาติมาแล้วไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเทวดามันก็มีกามากิเลตตัวนี้เพราะไอ้ในคนนี้เสนอเท่านั้นทั้งสามคนก็เห็นพร่องต้องกันเลยว่างั้นจากนั้นก็เอาเงินออกมาถลุงละจ้ะเนี่ยพระอรหันตสาวก ของพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงพาราณสีไม่เคยคิดเลยว่าจะทำบุญทําทานเสียสละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ เ, เพื่อสวสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาเงินเหล่านั้นเอาไปถลุงไปทางชั่วทั้งหมดแต่นี้เขาก็อายุยืนถึงสอง0 0 0 0ปีคนอายุยืน 20,000 ปีอายุยืนเท่าไหร่ยิ่งทําความชั่วได้มากเพราะอายุยืนแต่ถ้าว่าเขาอายุยืนเขาทาความดี เขาก็จึงทำบุญกุศลได้มากเพราะเขาอายุยืนแต่ทั้งสี่คนนั้นเขาอายุยืนเขามีเงินด้วยเขาก็เลยไปในทางตั้งตับทางชั่วไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครปู่ย่ำปูยีไปหมดเจ้านั้นพอจานักเขาตายพอตายไปเขาคนที่ออกขนาดนั้นก็ตายเป็นเหมือนกันนะาตายเป็นเหมือนกันเหือนกันเ พอตายแล้วก็ลงอเวจีมหานรกพอไปลงอเวจีมหานรกทีนี่พอลงไปแล้วทีนี่พอพ้นจากอเวจีมหานกรกไข่ข้าวัวนตกนรกหลุมใหญ่หรือหลุมเล็กนะแห่ไข่ข้าวหวานคงจะตกหลุมใหญ่แล้วก็คงไปตกบังขวางเสร็จแล้วก็คงมาติดคุกเมืองอุดรต่ออย่างลักษณะอย่างงั้นนะแหละอต่นี้เขาก็ตกอเวจีมหานรกเสร็จแล้วก็มาตกหลุมเล็กโลหะกุมพีว่า ง, งั้น ตกก็ไปจี๋เสร็จแล้วแต่แตอนนี้พอมาตกที่นี่แล้วโลหะกรุมพียนงะมันเหมือนกับเราต้มข้าวอย่างงั้นนะอ่ะต้มข้าวที่เราหุงข้าวนะเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มข้าวน้ำเดือดเดนะือดน่ยมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็จมมิตรลงไปพุ่งขึ้นมาอันนี้ขนาที่ขึ้นมานะ่ะสามหมื่นปีจึงมาถึงปากแล้วก็สามหมื่นปีจะลงถึงพื้น แล้วก็3ามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกลักษณะอย่างนั้นน่ะมันขึ้นมันลงแต่นี้พอสัตว์นรกทั้งสี่คนน่ะมันจมลงไปพื้นมาขึ้นมาถึงปะเพรานั้นแพอโผล่มามาเห็นกันเมื่นกันบุญคงจะให้เห็นกันมั้งมาหเห็นกันก็เลยจะกล่าวเป็นคาถาให้จบคำบอกว่าโอ้ยพวกเราไม่ควรจะทำความชั่วเลยควรจะทำแต่กรรมดีอันนี้พวกเราทำกรรมชั่วถึงจะตก ได้ทวงรับทุกอย่างนี้จะกล่าวอย่างนั้นแหละว่างั้นเถอแต่มันกล่าวไม่ได้เพราะมันมีเวลาน้อยเลยเกินพวกนี้มันคายคายเขามันมันเก่งอยู่แล้วว่างั้นเถอะมันจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงมันยกชองนิ้วแล้วยกนิ้วเดียวมันก็รู้กันแล้วว่างั้นเถอะอันนี้เมื่อไปสัตว์นรกมันก็คงจะรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันแล้วว่างั้นเถอะออทีนี้พอไปเห็นแล้วว่าก็พอมันจะกล่าวคำนี้ขึ้นมามันก็กล่าวไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาแล้วก็กล่าวเป็นคาถาได้คนละคำกันใช้คำว่าวตัวละอักษรกันอย่างรอออ้อยย่อซกกอย่างนี้เลยแต่ความหมายรู้กันว่างั้นเถอะในสี่คนนั้น เ, เพราะว่าเขาเก่งอักษรย่ออยู่แล้วนี่พวกนี้ว่างั้นเถอะพวกพวกสัตว์นรกเหล่าเนี้ว่างั้นเถอะเอพราะนั้นท่านก็เลยกล่าวขึ้นมาว่าทุษณะโศได้นะ ส, สี่ตัวอักษร จมดิ่งลงไปสู่นรกเหมือนนลงไปพื้นอีกทีนี้พระเจ้าปเปเสน่ก็ได้ยินพราะพู้ใดเจ้าที่เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชิดตะวันพระองค์ก็ได้ยินเหมือนกันเพราะท่านพระองค์มีหูทิพย์เนี่ยแต่พระองค์ก็รู้ว่าเป็นสัตว์นรกที่มันกล่าวแต่พระเจ้าปเปเสน่ไม่รู้เสียงอะไรแปลกพระเจ้าปเปเสน่เองก็คงจะจะทํากรรมชั่วอย่างที่ว่าจะแย่งของเขาไปนะี่ย กรรมตอนนั้นก็คงจะบรนดาลให้พระเจ้าพระเศียรได้ยินด้วยว่างั้นเถะเพื่อจะให้พระเจ้าพระเสียรหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้าประเศษจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์งหนึ่งในอนาคตนะได้รับพยากรณ์แล้วว่างั้นพระเจ้าพระเศษได้รับพยากรณ์และจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นบุญกุศลคงจะพักอกพยาประเศษเอาไว้อย่าไปทํากรรมชั่วนะคงจะเป็นลักษณะอย่างใ น, ในั้นแต่ทีนท่านก็เลยได้ยินเสียงนั้นขึ้นมา พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่านี่แหละที่เขากล่าวอย่างนั้นสัตว์นรกตกลงไปในนรกแล้วเขาขึ้นมาเขากล่าวว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่ได้เจอได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายได้มาในกรุงพาราณสีพวกเราน่าจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล แต่พวกเราไม่ได้สนใจเรื่องการกุศลบุญกุศลเลยพวกเราทำแต่กรรมชั่วเพราะนั้นกรรมชั่วให้ผลพวกเราเมื่อเราพ้นจากการตกนรกนี้แล้วพวกเราเต้องทำบุญเป็นแน่นอนอให้ข้าจะกล่าวลักษณะอย่างนี้หละพวกเราจะต้องทำบุญกุศลแน่นอนพวกเราทุกข์เหลือเกินในการเป็นอยู่นี้ลักษณะอย่างนั้น แต่ไม่ได้กล่าวกล่าวได้แต่ทุษะนัสูสี่คำกล่าวกล่าวคำได้คนละคนคนละตัวอักษรอแต่เขาสันนิษฐาทั้งสี่ตัวนะคงจะเข้าใจความหมายกันเพราะเขาเก่งอักษรย่ออยู่แล้วงั้นแหะนี่แหละจากนั้นพระเจ้าประเสียรก็ ร, กรู้รู้ว่าเออที่พระพุทธองค์ตรัสนั่ะ เ, ออเป็นหนทางที่ถูกต้องทีนี้โมลุด คนนั้นน่ะที่พระเจ้าประเสริญจะแย่งเมียเขาเนะ่ยเขาเขามานอนอยู่วัดป่าเชตะวันเขาก็นั่งอยู่ฟังอยู่ในนั้นด้วยบุรุษคนนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าออพระยาประเสริญกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ลาตียาวนานเพราะว่าท่านนอนไม่หลับราตียาวนานส่วนข้าพระองค์เดินไปเอาดินสีอรุณดอกบัวเดินทางไปหนึ่งโยศข้าพระองค์รู้ว่า โยดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวมากเมื่อวานนี้แต่ก่อนไม่เคยเดินทางถึงโยดหนึ่งเลยเพราะพระพุทธองค์จึงได้นาสังสองคานี้มาตัดเป็นพุทธภา ษ, ษีว่าคนที่นอนไม่หลับรู้ว่าราตีนี่ยาวนานคนที่เดินทางเมื่อยล้าแล้วรู้จักโยดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่คนที่ยังล่มหลงมัวเมาอยู่ในสังสารวัต ยังเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นยาวนานกว่าที่คนที่นึกได้ว่าโยชนหนึ่งมันยาวขนาดไหนคนที่ยังบกวนเวียนเวียนวหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารด้วยความลุ่มหลงมัวเมวนน า, วน า, นวานั้นยาวนานกว่านั้นอันนี้คือพระองค์ได้เอาสองคำคือคนนอนไปหลับกับคนเดินทางไกลแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่ ไม่มีที่สุดยาวนานกว่านั้นอีกนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้เทศจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลพอได้ฟังเทศพระพุทธเจ้ารู้ความหมายว่าไม่เป็นพิษเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นกล้ำของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้กล่าวขึ้นมาพระองค์ก็กลับไปก็เลยไปปล่อยปล่อยช้างปล่อยมา้าปล่อยอะไรออกไปปล่อยคู่คนออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่อยคนนั่น ท้งธาตทท้งกรรมกรท้งธาตหญิงธาตชายท้งกรรมกรหญิงชายเขากลับไปเขาก็ยินดีพออกพอใจยกจ้องเชิดชูบูชาพระแม่เจ้าที่ให้ชีวิตแก่เขาถ้าไม่มีนางมาิกาแล้วก็เขาคงจะตายกันเป็นหลายคนบางนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการสั่งสมบุญกุศล ที่ได้ยกขึ้นมาสาธิตให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมีแนวความคิดเละลายน่ะสรุปแล้วก็คือคนขาดศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่าคนขาดศีลธรรมจริยธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นพระเจ้าพระเสียรจัดการในเรื่องนั้นบูชายันในในเรื่องนั้นความทุกข์ระทมจะอยู่นานสักเท่าไหร่ในยุคสมัยนั้น อันนี้เรานึกหลับตาดูก็แล้วกันถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของเราถูกเชือดคอในขณะนั้นพวกเราที่เป็นบงสาคาญาติจะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ก็คือคนขาดศีลธรรมเห็นแก่ตัวเองเห็นท่าว่าตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นจะทุกข์ยังไงไม่ได้สนใจอันนี้แปลว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นยุกใดสมัยใดก็ตามท่าว่าตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นทุกข์ก็ช่าง ท่างใครเรานะจะเดือดร้อนวุ่นวายสักขนาดไหนอันนี้กันี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าคนที่ทํากรรมชั่วไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอย่างเศรษฐีสี่คนนะนะั่นเป็นยังไง เ, เมื่อทํากรรมชั่วในะยุคปัจจุบันได้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดไม่รู้ลูกเต่าเล้าหลานไม่รู้ว่าภรรยาของใครตกของใคร เอาเงินทุ่มเทลงไปหมดด้วยทรัพสมบัติแล้วเป็นมาอย่างไงอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดอันหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องได้คิดเพราะฉนั้นกรรมชั่วเนี่ยไม่ได้เลือกว่าหญิงไม่ได้เลือกว่าชายแต่ว่าผู้หญิงทําล่ะทีนี้ไม่เลือกสามีของใครเอาไปหมดอย่างเนี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกัน น, นั่นะหอะคงจะทุชัตนาโศเหมือนกันไม่ ไม่มีการยกเว้นถ้าผู้หญิงทำช่วผู้หญิงก็จะต้องตกนรกอย่างนั้นเหมือนกันอถ้าเอาพระเนนก็เหมือนกันพระสงฆ์น่ทำไม่ถูกต้องในเรื่องเหล่า น, นี้เป็นอาบัติหนักก็คงจะลักษณะนี้เหมือนกันเอคงจะตกนรกหมกไหมอย่างนี้เหมือนกันเอาเวทีมหานรกเป็นที่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นในหลักของกลัมคือการกระทํา การทำชั่วไม่ได้เลือกใครทั้งหมดไม่ว่าฆราวาสญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจา้าไม่ว่าระดับไหนไม่ว่ายศถามันดาศัก์สูงสงขนาดไหนถ้าทำกรรมชั่วแล้วเสมอภาคกันเหมือนกับคนจับไฟนั่นน่ะถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่จับไฟไม่ร้อนถ้าเป็นทุกขตะคนทุกอยางและจับไฟร้อนไม่ได้เลือกใครจับไฟใครก็ร้อนทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน การทำความชั่วไม่ได้เลือกชัตชั่นวันลนะถ้าใครทำกรรมไหนถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นก็จะต้องตามสนองถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะให้ผลมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่เราทำยุคใดสมัยใดเราตัวทำเราเองคิดทำในเดียวนี้ขณะนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเราตายเราสร้างสมแต่คุณงามความดี คุณงามความดีนั้นก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขเป็นอนันตการแต่พวกเราคิดปริทาความชั่วขึ้นมาความชั่วนั้นก็จะตามสนองคิดขึ้นมาเวลาใดขณะใดครูใดจิตใจของเราก็ร้อนขึ้นมาในขณะนั้นเหมือนกับจับไฟนะ่ะมันจะร้อนบั๊บในใจร้อนบับ๊บแป๊บอยู่อย่างนั้นเพราะกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทาไ้แล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะเบื้องต้นก็ได้กล่าว ได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิศีล ส, สมาธิจากนั้นก็เรื่องปัญญาบ้างเรื่องสมาธิควรทำยังไงทำจิตให้สงบยังไงทาจิตให้เป็นหนึ่งยังไงในเมื่อเราทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นเราพิจารณาเหตุและผลในเมื่อเราจิตเป็นสมาธิแล้วพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยิอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวเป็น นิทานในครั้งพระพุทธเจ้ามาแล้วกันวิเคราะห์ดูในจิตใจถ้าเราปิดจิตใจเป็นสมาธิแล้วต้องเห็นใจเขาต้องเห็นใจเราต้องเห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท้วนนาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาจิตใจของเราจะแน่นิ่งสงบมองเห็นเหตุและผลนานๆแต่ถ้าหาว่ากิเลสอยู่ในจิตใจของเรามากมันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นแก่ตัวทั้งนั้น สิ่งเหล่านั้นใครจะเป็นยังไงข้าไม่ได้สนใจข้อสําคัญให้ข้าได้ก็แล้วกันข้าให้เป็นใหญ่ก็แล้วกันใครจะเป็นทุกข์เป็นร้อนยังไงข้าไม่ได้สนใจขอสําคัญให้ข้าเป็นหนึ่งก็แล้วกันถ้าหาว่าจิตใจของเราปรุงฟงสั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยเหตุและผลและจะมีเปลกแก่ตัวเองว่าสิ่งไหนาควรทําสิ่งไหนควรพูดและสิ่งไหนควรคิดอีกต่างหาก ถ้ามันคิดไม่ถูกทางเอ้ยคิดไปทำไมถ้าคนอื่นเขาคิดอย่างนี้มาคิดกับเราอย่างนี้เราพอใจให้เขาคิดให้เขากระทำกับเราไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะคิดไปหาเขาด้วยไม่ควรจะคิดไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดด้วยในสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีเราจะค่อยควรไตรตรองเหตุและผลในการกระทำของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมีนิทาน มาในธรรมปรทัตกถามาในพระไตรปิฎกที่สาธิตให้ฟังนี่แหละการทําความชั่วตกนรกหมกไหมนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงนี่อยากจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีให้พวกเรานั่งสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นคนละส่วนคนละอย่างกันสิ่งไหนที่จะพาไปเกิดสิงไหนที่มีทุก เราจะรู้ได like ้ด้วยตนเองในสมาธิถ้าว่าพวกเรายังทําจิตใจยังไม่สงบไม่ได้จะไปคิดเดาเอาเลยถ้าคิดเดาก็ผิดผิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดมีตังเยอะแยะถ้าเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างเราคงจะไม่เป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างที่เราคิดคิดได้ยังไงเป็นอย่างที่เราคิดเราคงจะไม่คิดต่ําเหมือนกันลงจยากคิดสูงไปกว่านี้แล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหม ถ้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดมามากต่อมากนั่นอ่ะมันเป็นผลยังไงเราควรจะทบทวนในความคิดของเราควรจะใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราเองเพราะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นปัจจตังนะวันนี้ได้พูดเสียยืดยาวสําหรับเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปก็นั่งสมาธินะัที่นี่นะ